กันสายทุกชนบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านนัหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไดกรมรมฐานแล้วต่อ น, นี้ไปขอท่านนัหลายได้โปรโ ด, ดตั้งใจสะดับในเรื่องของเมตตาคือพรมหมฐารสี่ในขั้นสุดท้าย ความจริงพรหิหารสีน่นี้ผมได้พูดไว้แล้วว่าถ้าหากว่าท่านบุใดตั้งใจจริงมีทิบาทสี่คือฉันทะความพอใจวิิยะมีความภาคเพียรต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกจิตตะสนใจฝากไฟในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงคือพรหมิหารสี่ มีมังสายใช้ปัญญาดูว่าอารมณ์ที่ผ่านมาภายนอกเป็นอารมณ์ของความดีหรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วถ้าเป็นอารมณ์ของความดีเราก็รับถ้าเป็นอารมณ์ของความชั่วเราก็ไม่รับถ้าจิตใจเขามันดาท่านนังหลายทองทิบบาทสีนี้ครบถ้วน สำหรับพรหมิหารสี่ก็จะสามารถทำให้ท่านหลายเป็นพระอรหันต์ได้โดยโดยเรื่องโดยรวดเร็วจงจะลืมทำไหมข้อนหนึ่งว่าเราจะแก้กิเลสตัวไหนกิเลสตัวนั้นไม่เข้ามายุ่งกับใจเราเส ม, มอเพิ่มเป็นคาสิกถ้าหากว่าเราจยกแก้ความโลภทรัพย์สมบัติมันจะเกิดขึ้นม า, มากโดยที่คาดไม่ถึง ถ้าจิตของเราไปติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้ น, สนแสดงว่าเราก็แพ้กิเลสถ้าหากว่าเราจะแก้ราคะความรักในเพศด้วยความสวยสวยงามนั่นจะพบกับแขกที่มีเพศตรงกันข้ามมีลักษณะท่าทางสวยงามสงามา่าผ่าเผยเต็มอุดมสมบูรณ์โดยทรัพย์สิน มีเจติยาเพียกร้อมเป็นที่ร า, าน่ารักมายุ่ยยวนถ้าจิตใจของเราไม่คล้อยตามไปชี่อเราช น, นะถ้าเราคล้อยตามไปมีความพอใจเราก็แพ้แก่กิเลสเวลานี้บรรดาสาวอกขององค์สมเด็จพระบร ม, มโลกกเกชิกํำลังเจริญพรห ม, มวิหารสื่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร โอตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าที่เสียใยมุมเบคาวางเฉยต่อรมของความชั่วในขณะที่เราทรงพรมีหารสีน่นี้คือเป็นการตัดกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็จงระมัดระวังว่าการที่จะเกิดโทสะที่ังไม่คาดฝันมันจะมีมาทิ้ง เราอยู่เฉยๆอาจจะมีคนแกล้งมาหาเรื่องก็ได้เรื่องท่านหลายเหล่านี้ผมประสบมามากในขณะที่ฝึกแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้แบบส บ, สบายๆทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับกําลังใจหรืออิธิบาตสี่อย่างเดียวสำหรั บ, บวันนี้จะเห็นว่าจะไม่พูดอาลัมพบทมากเพราะเป็นวันจบการเจริญพร ม, มิหารสี่ของท่าน ผมได้กล่าวมาแล้วถึงขั้นอนาคามีผลเรือว่าการเจริญพเ ม, มหันสี่เป็นพระอนาคามีไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรามีเมตตาความรักรักใครรักเราในระเ็นตัวสำคัญกุณานะความสงสารเราสงสาร ใ, ใครเราสงสารตัวเรา มุทุตามีจิตออนโยนไม่ชาเสียคือไม่มีอารมณ์เครียดในเะมื่อความดีมันเข้ามาถึงมุมเบกขาวางเฉยเฉยต่ออารมณ์ภายนอกเฉยต่ออารมณ์ภายในเฉยต่อกายของขันห้าความจริงการเจริญพรมิหารสี่นี่เป็นพระรหันได้ไง่ายที่ผมว่ารักเราเลยก็ อ, อะไร นึกว่าถ้าจิตของเราไปติดในกามฉันทะก็ชื่อว่าเราเป็นคนไม่รักตัวเราเองเพราะกามาธาชันทะเป็นแก่กามฉันหรือกามคุณห้าในกระรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้มันเป็นของไม่ดีอะไรที่ไหนมันสวยจริงกลิ่นที่ไหนมันหอมเสมอ รสที่ไหนมาอร่อยเรื่อยตลอดวันตลอดสมัยสัมปับสัมผัสผเป็นเหยเกิดความสุขใจแต่มันทุกข์อะไรบ้างนี่มันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักตัวเราจริงๆเราก็ไม่ไปยุ่งกับราคะคือความรักถ้าสำหรับโลภะความโลภความร่ารวยมันเป็นของดีแล้วมันเป็นของเร็ว ไปเหตุนำมาเรื่องความสุขแล้วไปเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เราจะมองกันจริงๆคนที่รวยก็แก่ก็ป่วยก็ตายกัด้วยกันทุกคนแล้วก็มีอารมณ์ร่ร้อนทรัพย์สินทั้งหลายที่กขรวบรวมไม่ได้ไม่มีใครนำไปได้เมื่อเวลาตายถ้ากเราไปติดรวยก็สแสดงว่าเราไม่รักตัวเอง การที่เราจะรักตัวเองเราต้องเป็นคนวางภาระในความต้องการร่ำรวยเสียนี่มาอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธนี่เป็นอารมณ์ของความเราร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราจะทักแกล้งเขามีทุกขเขาก็มีถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่กแกล้งเขามีทุกเขาก็ทุกอยู่แล้ว แค่นั้นจะต้องไปทำทำไมถ้าเรารักตัวเราก็อย่าสร้างโทสะความโกรธใาไมันเกิดขึ้นมันสร้างความเลาร้อนบบเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์ใครจะบ้า้าไปเขาบ้าไปตามเรื่องตามราวเป็นอนันว่าคนที่ทำให้เราโกรธเราคิดว่านายเขาบ้าบ้าตรงไหนบ้าชีวิตบ้าฐานะบ้าความเป็นอยู่ เพราะอะไรเพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้า น, นั่นเองยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบส ง, งยมต้องการความเรียบร้อยแต่ถ้าว่าความโกรธเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ความเลวมันหลังละลังไห ล, หลมันนอกนานี่ถ้าเราสงสารตัวเราเองเราก็จงอย่าโกรธเพราะถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่บา ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้าต่อหน้าทาและกำนันองค์สมเด็จพระทรงทางก็ทรงเฉยพรามณ์ชี้หน้าบอกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วพระพุทธเจา้าทรงถามว่าแพ่ตรงไหนพราหมยืนตอบว่าฉันด่าแก่แกไม่แกไม่ด่าตอบข้าแก่แพ้ข้า สมเด็จพระบรมศาสดาทังตัดว่าพราหมณะฑลก่อนพราหม์ตาถาคตคิดว่าแต่ใครค้นดา่าตาถาคตถ้าตาถาคตเป็นด่าตอบคนนั้นแสดงว่าตาถาคตน่าเลวกว่าคนนั้นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรง ด, ด่าพราหมณ์อย่างหนักพระ ม, มีปัญญารู้สึกตัว คิดว่าตัวผิดเปอร์เซนแล้วจึงนั่งห้อยงถวายนำ้ำพรสการองค์สมเด็จพระบพิติแก้วแล้วกล่าวว่าพาสิทธิทเด่นตัดปัณณนี้เป็นของดีมากประเสริฐมากคล้ายกับไงพ่องหมอ้อไงหม้อที่กำลังความอยู่ให้ปากโชว์ขึ้นรับน้ำฝนแล้ยจึงลดกสนอมจิตใจข้นตนขอ บ, บทในพระพุทธศาสนา เพราะอาศัยที่รู้ตัวว่าชั่วของพรามไม่ช้าพรามก็จะสำเร็จอ ร, รหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนานี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากันจงคิดว่าคนที่มีความโกรธก็คือคนบ้าบ้านในชีวิตบ้านในฐานนะเมาในศักดิ์ศรีซึ่งมันไม่เป็นของตริไม่เป็นของจริง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกครั้งถ้าเราเมามันก็ไปทุกมันเป็นอนัตตาในที่สุดเราก็ตายแจมแมกุดทามรรดาสักไปทไหนกันเป็นนั้นว่าเรื่องของการเจริญพรมหมฐานสี่เป็นอรหันต์ง่ายเป็นอรหันต์พ่อเรารักตัวของเราเองเราสนสารตัวของเราเอง ถ้ารักตัวเราก็คือเราก็ไม่ทำความชั่วเพราะความชั่วมันเป็นเหตุแหงความเล้าร้อนเราสงสารตัวเราเราก็ระวังไม่ความชั่วไม่เกิดขึ้นข้อสุดข้อที่สามมีจิตอ่อนโยนคือกำลังจิตไม่แข็งไม่กระด้างใครก็ทำดีทำชั่วจังเขาเราพยายามอาศายกำลังใจของเราให้บริสุทธิ์อุ้มเบกขาวางเฉยต้อรมทั้งหมด คือเวกอารมณ์ที่มันมาจากกระแสเสียงก็ดีมาจากการทางกายก็ดีทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกหมายว่าตาสัมผัสรูปไม่สนใจในรูปหูสัมผัสสัมผัสเสียงไม่สนใจในเสียงจ ม, มูกสัมผัสกลิ่นไม่สนใจในกลิ่นลิ้นสัมผัสรสไม่สนใจในรสกายสัมผัส แต่ต้องไม่ไม่มีความสนใจในการสัมผัสนี่เรียกว่าอารมณ์มาจากทั้งภายนอกและภายในอารมณ์ภายนอกเราชอบใจในรูปชอบใจในเสียงอารมณ์ภายในได้กําลังใจที่เข้าไปชอบเห็นรูปสวยเราชอบนั่นอา ร, ปปรมณ์ภายนอกความรู้สึกอารมณ์ภายในระวางสิ ห, หมดถ้าเรารักตัวเรา นี่ถ้าเราจเจริญพรหมิหารสี่จริงๆพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะรักใครเนี่ยเราต้องรักตัวเราก่อนถ้าเราสงสารเขาเราก็สงสารเราก่อนเราจะช่วยเขาเราต้องช่วยตัวเราก่อนอย่างภาษิตโบราณที่เน่งกล่าวว่าถ้าเย้าเตี้ยไปอุ้มคอมมันก็ไม่มีความหมายต่างคนต่างเตี้ยเลยกัน คนที่จะอุ้มคนขึ้นมาได้ให้มันค้นพื้นดินคนที่อุ้มต้องมีกำลายกายสูงกว่าใหญ่กว่าบุคคลที่ถูกการอุ้มฉันใดแม้แต่การปฏิบัติในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาันดาลก็ไม่กันเราจะทำให้ชาวบ้เขาเป็นสุขเราต้องทำใจของเราถึงความสุขสด้ก่อน มาตอนนี้เราก็มาพูดกันว่าเราจะทำยังไงละ่ะมันเป็งเยงสุศจริงๆเราขอบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาจงมองดูพรมจงมองดูพรมิหารสีเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูที่บาทสีดูบารมีิี ทั้งสี่รายการนี้ให้มันอยู่ครบทนแล้วก็เจรณะสิบห้าจากนั้นไปจะจิตใจก็เราสบายแล้วก็มานั่งไล่เบีย้ยสัญญอดสิบระการตอนนี้เรามานั่งไล่เบีย้ยกันแล้วสัญญนดสิบราการเบื้องต้นคือห้าอย่างที่มีความร้ายแรงด้านหนักเราผ่านมันแล้วในกาสกายติฐิอันดับต้นมีความรู้สึกว่าเราจะตาย แล้วกศีรพตตาเสวิจิกิจฉาการสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเราที่คำว่าไม่สงสัยหมายมความว่าพระพุทธเจ้าห้ามอย่างไหนเราละอย่างนั้นทรงสนับสนุนอย่างไหนปฏิบัติอย่างนั้นมีในเราแล้วศีรพตบารามาตเรามีศิลบริสุทธิ์ การมาฉันทะเราตัดมันได้แล้วจะอนาคามีปาฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบใหญ่คือบุคคลใดเขาจะแกล่งแกล้งให้สร้างความโกรธเราไม่โกรธในเขาให้อภัยทันอย่างนี้เราชนะมันแล้วต่อจานี้ไปก็ไปทบทวนสังโยติห้าเรื่ราการที่องค์สมเ็จพระบัณิแก้วกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นอนุัส มันเป็นกําลังใจที่คายากเสลนิดหนึ่นงชัโยอดท่าบริการหลังก็คือหนึ่งโรบราคะการหลงไหลใฝ่ายฝันในโลกปรชานคือเมาในการเข้าฌานเห็นว่าการเข้าฌานเป็นของประเสริฐเป็นของเลศิศเป็นของดีพอที่จะโ อ, อ้อวดใครแต่ใครก็ได้ว่าเราทรงฌานได้ดีใช้เวลานาน การเมาในรูปประชาญอย่างนี้ไม่ดีแน่เพราะว่ารูปประชาญก็ดีอารูปประชาำก็ดีแต่สมการนี้เป็นแต่เพียงบันไดเพื่อเครื่องรองรับที่จะเก้าเข้าไปสู่พระนิพพานถ้าจิตใจของเรายับยังอยู่แค่รูปรรประจำแล้วรูปประจำไม่ก็ใช้ไม่ได้เพรว่าท่านเห็นหลายถ้าอย่าทิ้งรูปประชาญและวรูปประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้รูปประชจำ ถึงก็ได้รูปฌานด้วยก็ตามได้ฌานอะไรก็ตามจะต้องทรงฌานไว้เสมอไม่ใช่ว่าถ้าเราจะไม่เมาในรูปฌานแล้วรูปฌานนั้นแล้วไม่เกาะรูปฌานแล้วรูปฌานไม่ก็ไม่ถูกเรื่องฌานนี้ต้องเกาะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังส่งใช้ในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระที่เป็นอรหันตุกองค์ก็ต้องทรงฌานเป็นปกติ โดยฌานของพระอริยเจ้าเรียกว่าโลกุตระฌานกำลังฌานฌานนังเรวการเพ่งด้วยการตั้งใจกำลังใจพ้นจากสภาวะโลกของโลกนั่นก็คือไม่ติดอยู่ในการมาันทะไม่จิตติดในโลภะไม่ติดอยู่ในความโกรธความชั่วัดไม่ติดอยู่ในความหลงเป็นกำลังฌานที่ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพาน ฉะนนการที yeah, it, ่เม่ติดอยในรูปฌานและวรูปฌานแทนที่จะติดจยูโดยเฉพาะว่ารูปฌานและวรูปฌานเป็นของดีสามารถส่งกําลังจิตให้ไม่นคงจิตเราจะตั้งตรงไม่เฉพาะรูปฌานและวรูปฌานอย่างนี้เราไม่เอาเราก็เปลี่ยนไปว่าใช้กําลังใจให้เป็นฌานแต่ฌานนี้อยู่ในอุปสมานุสติกรรมฐาน อเอาอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นอารมณ์อุปสมานุสติกรรมฐานก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์เทวโลกและพมลโลกเป็นสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาว่ามารมีเมื่อไรก็ต้องลงกลับมาเกิดกันใหม่แม้ก็ยุ่ง อ, อีกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการฉะนั้นฌานในที่นี้ให้ตั้งไว้ใน อุปสมานุสติกรรมฐานจิตใจมีความพอใจในพระนิพพานเป็นอารมณ์ยานนี้ที่ว่าไม่หลงในอรูปฌานและอรูปฌานนะต่อไปก็มานะการถือตัวถือตนทรงตัดว่าอย่าถือตัวเกินไป ถ้ามาถูตัวเกินไปนี่ไม่เกินพอดีไอ้ตัวนี้ต้องถือรักษาศักดิ์ศรีในฐานะของตนเมื่อเวลานี้เราเป็นคนจะไปกินข้าวกับหมาน่ะมันไม่ได้นึกว่าเราเป็นทาสในฐานะพุทธศาส น, น, นิกชนถ้าเราเป็นพระเราจะวิ่งเล่นกับเด็กมันก็ไมาสงควรนึกว่าถ้าเราเป็นเนรเราจะกินข้าวเย็นขึ้ืนต้นไม้เล่นมือนลิงมันก็ใช้ไม่ได้ อุบาส อ, อุบาสิกาทั้งหลายไป็นผู้ทรงศีลอย่าทำตนอย่างกระชบับบัตรที่เขาปราศจากศีลนั้นก็ไม่ถูกนี่คำว่าถือตัวในพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอย่าถือตั ว, ตวเตอ่เกินไปคําว่าเกินไปมันก็แสดงว่ายังมีคําว่าถืออยู่ให้ถืออยู่ให้สมควรกัฐานะที่เราทรงอยู่ ไม่ใช่เวลาเกลียดชาวบ้านเห็นว่าเราเลวกว่าเขาเราเส ม, มอเขาเราดีกว่าเขาคนนั้นชั่วคนนี้ดีปล่อยเขาเราทรงอารมณ์ไม่ตามปัญญาใสยที่ในฐานะที่เราเป็นนักพรตทรงเนฆามะบารมีแปลว่ิถือบทคามาเนฆามะคามะบารมีแปลว่ิถือบชนี้โปดเจริมผ่อเหลืองและไม่ผ่องแผเหลืองก็ได้ นุ่งผ้าลายนุ่งผ้าสีก็ได้แต่ถ้าใจาเป็นพระใจปราศ จ, จากกิเลสเทวทิจ้าเรียกว่าพระตั้งแต่ประสูติาวบัญกินมาเรียกะราว่าพระกอเริ่มเข้าขีดทั้งความดีที่เรียกว่าประเสริฐฉะนั้นการถือตัวเถือตนที่เรียกว่ามณนะจงวางเสียแต่ว่าจงถือไว้แต่พอควรให้สมควรกับฐานะของตน ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระทศพลพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นจอมอราหันต์ท่านก็วางพระองค์ของท่านให้เหมาะสมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ทงไม่ทรงถือขวา้าความใครใครจะอ า, อาหารดีไม่พระองค์ทรงก็ฉันอาหารที่จะบ้านเขาเรียกวันเลวให้มาแล้วพระองค์ก็ฉัน เวลาฉันก็ไม่เคยจต้องหาแท่นที่ประทับเสมอไปที่ไหนก็ไหนอย่างนางบุญธาศรีเอาแป้นจีเคือปไาลข้าวกับรำผสมกันทำให้แหลกชุบน้ำทำเป็นแผ่นปิ่งแล้วก็ห่อชายพกมาเมาื่อสวยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอถวายสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงรับก็เห็นว่าเธอแก้วมัาจะชายพก แล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้รังเกียจเธอก็นึกว่าพระพุทธเจ้าคงจะฉันของลีจจกบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีระวังไป็มหาขสัตสมเด็จพระรมทรงสวัสดิโสข้าไข่พระนนทูผ้าสงติลงข้างทางแล้วก็ทรงฉันแป้นเจดเดียวนั้นนางบุญพาศีลใจเกลี ย, ยตาย ในสุดฟังพระธรรมทีศาสนาใ น, นของพระพุทธเจ้าเพรงแค่สั้นๆถือเขาในประโสนดาบันเห็นไหมละ่ะนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงถือพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าวางลีลาให้เหมาะสมแต่เรียกว่าไม่ถือตัวเกินไปจึงกระทั่งคนก็ให้อะไรตามทางก็ไม่รับ ให้ของเลวไม่กินนั่นพระนางบุญทาสีนึกเท่านั้นสมเด็จพระพกวันทรงนั่งที่ตรงนั้นแล้วก็ฉันเลยอย่างนี้ถ้าเราจะมองกันไปําหรับคนเมาในชีวิตเมาในศักดิ์ศรีจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระมหามนีในหน้าโกรธฉไม่เป็นเรื่องวางตนไม่เหมาะสมท่านความจริงท่านวางตนเหมาะสมแล้วท่านไม่ได้ไปทุกข์ลีกับ น, นางบุญทาสี ไม่ได้ไปจับมือถือแขนแสดงว่าพระองค์ทรงโปรดปรานว่าเธอเป็นคนจนเธอทำบุญเท่านี้ก็ดีแล้วขึ้นชื่อว่าทำบุญทางกุญหลูขังวาปเนียตังวาของแรนนี่ก็ตามหรือว่าของเลวก็ตามเ็ราราคาถูกถ้าใจของท่านพูดทำบุญมีจิตมีกุศลงจริงๆก็ไม่อานิสง์มาก มีการวางตัวก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระโุทมีพระภาคและโดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นสน่ของคนทุกชั้นตั้งแต่คนแก่งับเงือกไปถึงเด็กเล็กๆท่านวางตัวสม่ำเสมอเข้าไปในที่ใดก็ทำตัวเสมอกับบุคคลนั้น เข้าไปบ้านไหนก็ตามเด็กเล็กกว่าจงหน้าดึงแขนดึงขาดึงหน้าดึงหลังบางคนก็ขีดคอห้อยคอโค้นคอก็ตามใจภาษานิบทปฏิวาตอะไรถ้านักศึกษากําลังใจของเด็กถือว่าเป็นคนเข้าถึงคนเป็นคนดีมีการกระทำอย่างภาษาทีบทนี้ก็คนเอาตัวอย่างแต่ถ้าว่าอย่าไปเล่นกับเด็ก เราสแสดงเพื่ความไม่ตากับเด็กนี่เป็นการวางตัวนะถ้าทําได้อย่างนี้ก็สแสดงว่าเราหมดการถือตัวถือตนเป็นการตัดสัญชน์มาทั้งสายข้อกลยจะเป็นลหลังต่อไปองค์สมเด็จพระสุสวรรค์กล่าวว่าอุตจักความฟุ้งของจิตเห็นไหละเคยบอกแล้วว่าเป็นนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้ง ในการฟุ้งของอนนาคามีนี่ไม่ได้ฟุ้งลงมันฟุ้งขึ้นแล้วฟุง้งทรงตัวก็ได้แก่ในการบางครั้งอาจจะมีอารมคิดว่าเราทรงความเป็นอนาคามีเราหนี่องสมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพรหมเราก็มาเป็นบารมีนิพพานบนนั้น ดีไม่ดีจิตจะคิดสั้นลงไปนิดปราช่างมันเทอเอาแค่นี้พ อ, อแต่ถ้าว่าชีวิตก็เรายังมีอยู่เราจะรอเพื่อทำในการต่อไปนละ่ไม่สมควรการทำงานทุกอย่างให้เสร็จเสีเดี๋ยวนี้ได้นั่นดีเพราะนั้นอารมณ์พุ้งว่นาคามีมีแค่นี้แล้วก็ตัดใจโดยเฉพาะใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีความนิยมว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้ จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ม่งหวังอะไรทั้งหมดมนุสสนโลกคนดีพมันโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นที่นิยมสำหรับเราอย่างนี้ก็ถือว่าตัดอารมณ์ฟุงเส้นได้แล้วท่านบายต่อมาองค์สมเด็จพระบัีแก้วทรงจัดว่าตัดอวิชชาอาวิชชานี้แยกเป็นธรรมะออในสองอย่างคือชั้นทกับราคะ ไม่อยากเตียงตอนนี้ไม่มีอะไรอยากมันหมดแล้วฉันทากับราคา้าคืนฉันทามีความพอใจในความเป็นมนุษย์มีความพอใจเป็นเทวดามีความพอใจเป็นพรหมไ ม, ไม่อย่างนี้ไม่มีสำหรับเราราคาเห็น ม, น, มนุษย์โลกสวยเทวาโลกสวยพรหมโลกสวยไม่มีสำหรับเราเราต้องการพนิพาน อารมณ์อย่างนี things, <Huh. S 1> is, man, ้จะตัดได้อย่างไงตัดได้เพราะอาศัยอารมณ์เมตตาคิตคือเมตต์ลมยินหวนกลับเข้าไปตัดจุดเดียวไม่ต้องตัดทุงหมดเพื่อตัดจุดเดียวที่สกายาทิฏฐิมาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าร่างกายมันไม่ใช่เรามันไม่ของเราไม่ใช่ของเราอธิบายมามากัแล้วมันเป็นธาตุสี่ ภ้าสี่นี้มันมีการเกิดแล้วก็มีการเสื่อมเนี่ยการสลายตัวแล่นร่างกายนี้มันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราแล่ร่างกายของคนอื่นละ่ะถ้าเราไปรักเขาไปแต่งงานกับเขาไปอยู่กับเขามันจะอยู่กันได้ตลอดการตลอดสมัยไหมแล้วมีอะไรบ้างที่ร่างกายของเขาจะพยุงร่างกายของเราไม่แก่ ยงร่างกายของเราไม่ป่วยพยองร่างกายของเราไม่ตายพยองร่างกายของเราไม่มีทุกข์มันทาได้ไหมก็ทําไม่ได้เนื่องจากนั้นเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราเราก็ไม่สนใจในมันเสียเสียสนใจทําไมไม่ช่าไม่กระพังจะตายเมื่อไรก็เชิญเมื่อมันตายเสียนได้เมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น ท่านขอบันดาลใหพระธรรริศตทุกท่านในตอนนี้ต้องทบทวนในสังโยชนิประการอยู่เสมอเนื่อว่าทบทวนกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทบทวนขอวน้อตนเมื่อร่างกายเป็นเราแล้วมาเช่เราเข้ามาใช่ยวเรานี่เป็นทานสี่เป็นเรื่องด้านที่อาศัยชั่วคราวแล้วเราจะเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมันเลยก็ไปหาความตายเราก็รู้ คนอื่นเขาตายให้เป็นโสดโถมไปชาตินี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะเมากลายแบบนี้ร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ถือเป็นสาระสมบัติทั้งปวงในโลกทั้งหมดปรกกฏว่ามันไม่เขียนเราไม่เขีของเราตายแล้วเอาไปไม่ได้ปล่อยมันไปมันจะไปทางไหนก็ตามใจมันจิตใจของเราก็ไม่มีการผูกพันในร่างกายของเราด้วย ไม่มีความโผกพันในร่างกายเขาบุกคนอื่นด้วยไม่มีการโผกพันในวัฏฏะธาตุท้งหลายด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีชีวิตยอยู่ก็ใช้มันตายแล้วก็เลิกการกิจก็เป็นสุขอารมณ์ในตอนนี้สําหรับอารมณ์ที่เข้าถึงอารหาัตผลบรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนอารมณ์จะมีความเบาแก่ยวกับทุกอารมณ์อะไรทั้งหลายก็ตามมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมดา ผู้คนาดก็ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่พ้นการนินทานด่าว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกพอประสบกับคำสรรเสริญก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็จิตใจไม่หวั่นไหวใจปกติที่ท่านบอกว่าบัณฑิตเมียลมไม่ขึ้นไม่ลงคือไม่หวั่นไหวไม่โกรธเท่าดใดก็ไม่กร่อมเขาชมก็ไม่ยินดี เพียงเท่าน ok ี t t Again, Bref, it it vampire, ้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าพรมิหารสี่ช่วยให้ท่าเบื่ออรหันได้ทีนั้นสําหรับพรมิหารสี่ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้จบแล้วต่อที๋นี้ไปของสาวกของสมเด็จพระที่เกล้าตั้งกาให้ตรงดํารงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสบายจะเริยนสมถภาวนาพิจารณาและภาวนาไปตามอธิยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวด